มันเข้าสู่ดุลยภาพซึ่งการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงทั้งหมดก็ถึงซึ่งสภาพมีค่าเท่ากับศูนย์ผมใช้นิ้วก้อยสองนิ้วดันมนะันเนี่ยพลังทั้งขวาและซ้ายพอ ด, ดีกันเนี่ยค่าของมันก็กลายเป็นศูนย์ใช่ไหมครับจริงไหมแต่ไม่ใช่ไม่มีอะไรเลยเอาละบันนี้ผมใช้หัวหัวนี้วไม่เมือนคับดันกันค่าของมันก็เท่าเดิมจริงไห งงไหมครับคือดินลยภาพนั่นเองเป็นศูนย์ผมใช้คำปั้นของเรา์นี้นดันกันนพ้ลรวมจากสองสิ่งประสานก็เป็นศูนย์เท่าเดิมจริงนะครับกฎดึงความสมดุลนั่นเองครับที่มีค่าทําให้ให้แรงดันกระแรงดึงแรงผลักกระแรงมีผลเท่ากับศูนย์ดังนั้นกายกับจิตประสานกันดีนะครับโลกชีวิตจั ก, กรวาลทั้งหมด จะกับกลานสิ่งซีเสมอภาคกันหมดดังนั้นท่านถึงใช้คำว่าทำทำปแปลว่าทุกสิ่งครับหมายถึงชีวิตกายจิตอารมณ์ <c oughs> โลกที่เราอาศัยอยู่นะจักรวาลทั้งหมดดังั้นเรานั่งสมาธิหรื อ, อยืนหะรือนอนนะครับเรากำลังประสานสิ่งหลากหลายทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเข้าหากัน มันมันเข้าหากันสนิทแนบแน่นเ ห, นหนมือนที่เราเอาอน้นมแล้วเราเติมน้ําแล้วตีเข้าหากันนะครับเราจะแยกมันไม่ออกเลยนั่นคือสิ่งสิ่งที่เรียกว่าชีวิตได้เข้าไปสนิทกลมกลืนกับธรรมชาติเราเรี้ยวเข้าถึงตัวธรรมชาติเข้าใจาไหมครับแต่คนนั่งคิดว่าเออเราจะเข้าถึงธรรมชาติวันนี้เตรียมเป้เตรียมรองเท้าบู๊ตถือไฟฉาย าเ ล, ล่าไปด้วยสักสองสามแสนแเข้าไปที่เขาใหญ่เรียกว่าไปชื่นชมธรรมชาติอย่างนี้ถูกผลักห่างออกไปอีกเราคิดถ้าเราจะไปชมวิวนี้เลยนั่นคนละเรื่องครับอย่างนั้นไม่ได้เข้าถึงธรรมชาติปต่แลบเล่นเรีย เ, เปลือกของธรรมชาติครับเมื่อเราไปดูทิวทัศน์เนี่ยนั่นเราไม่ได้เข้าถึงมันดังนั้นเราเพราะว่าเราไปพัทยาไปนอนริมทะเล นอ น, นยิ่งแห้งใจหนักขึ้นเพราะยิ่งนอนปลายค่าโรงแรมมันทวีขึ้นทุกวันกระเป๋าแห้งล ง, งลงธรรมชาตินั้นเข้าถึงโดยวิธีนั้นไม่ได้ครับย์กระหายหิวธรรมชาติจนกระทั่งถลม่มภูเขาลงสร้างที่พักที่เรียกว่ารีสอร์ทอะไรต่อเมื่อไรใช่ไหมครับนั่นยิ่งทำลายธรรมชาติลงทุกทีจริงไนหะการเข้าถึงธรรมชาติง่ายนิดเดียวครับ ทั้งธรรมชาติภายนอกทั้งภายในนั่นก็คือเราเข้าหาดุลของเราเมื่อจิตใจเราดีผุดพองจำสาสนะครับธรรมชาติทั้งภายในและภายนอกจะถูกบำรุงทั้งสิจีนีว่าเมื่อคนดีเกิดขึ้นในแผ่นดินต่อเขาเขียวชะอุ่มยัทางสาสะอาด คำพูด น, นี้ดูคล้ายพูดเล่นแต่ผมคิดว่ามีความจริงลึกซึ้งมากครับเมื่อสมพานวัดใจดีนะครับต้นไม้ในป่าในร่มรื่นในในวัดในอารามและน้ําก็ใสแต่ถ้าไปวัดไหนที่ลงครุมหมา ก, กัดกันเกลียวแล้วก็สังขานหน้าสงพานไม่เคยเอาไหนเท่าไหร่เรงมี้ทำไปเล่นไม่ได้ครับเพราะว่าชีวิตสังคมโลกจักรวาลนี้ มันเชื่อมโยงกันเป็นเอกภาพเดียวป่าที่แคนาดานะครับและเยอรมนีตอนเหนือล้มตายเป็นแสนแสนรายมีข้อสันนิษฐานหนึ่งเพราะว่าเครื่องบินไอพ่นที่มีความเร็วสูงส่งคลื่นรบกวนทำให้ต้นไม้ตายแต่ามยังมีข้อสันนิษฐาน ที่ที่ออกจะพิลึกอีกข้อหนึ่งคือผมคิดว่าต้นไม้เหล่านั้นทุกระทมใจในในในพฤติกรรมของมนุษย์จนไม่อยากอยู่ร่วมโลกคิดว่าจะงมงายไหมครับครั้งหนึ่งนยที่ที่ผมอยู่ริมทะเลตน้นมะม่วงหิมพานเนี่ยกรอนผมขอร้อยพระสวดมนต์ทุกเย็นที่ใต้ต้น อีกเดือนเดเนะีเขียวชุ่มขึ้นมาชาว บ, บ้านเลยว่าศัก <c oughs> ดิ์สิทธิ์ที่จริงต้นไมกก้ก็คือชีวิตเพื่อนเรานะเมื่อเราเขาได้ยินเสียงสวดมนต์โดยกระแสเสียงเขาคงไม่เข้าใจความหมายของมนต์แต่โดยกระแสเสียงที่ที่สงบราบเรียบคลืออ่นนั้นทําให้ต้นไม้รู้สึกราเริงขึ้นมีกําลังใจที่จะอยู่กี่ชายครับที่พบตนไม้ทางเหนือของแคด้าและเยเมน ผมคิดว่ามันความเกรียดมนุษย์ไม่อยากจะอยู่ร่วมโลกทุกข์ทรมารก็ตายกันไม่มีเหตุผลนะครับเขายะงงกันมามันตายได้ยังไงเนี่ยชวนกันตายเป็นเป็นแสนแสนไร่เพราะมนุษย์ในโลกนี้มันกำเริบซามลงนะว่ามันจริงๆนะดูให้ดีๆนะครับถล่มกันด้วยนิวเครียร์บ้างเด็กๆ เล่นการหลดเอาขีวัวปาหน้ากันไม่เท่าไรเดี๋ยวกนล้างออกแต่้นเล่นเอานิวเคลียปากันมันไม่ใช่เพียงเป็นคนสองคนครับที่นี้คือสิทธิ์พอของเบิร์ตปรุงนูมีประมาณห้า0มืนเท่าของที่ลงที่ฮิโรชิมาครับนัแ่แสดงเรื่องนี้มันอยู่ด้วยความหวาดกลั ว, ว, ม, ว, ลวมือจิตใจของผู้นำนะครับทางการเมืองหรือผู้คนกลัวซะแล้วเนี่ย ต้นม้จะอยู่ได้งไงคิดดูที่ลันดอนนั้นมีเรื่องงาเศร้าแกมทุเล็เกิดขึ้นนะครับตอนเช้าๆจะเห็นชาวกรีฑที่ไปทำงนานถือถื อ, อตู้เสื้อผ้าพลาสติกเราเคยรู้จักใช่ไหมครับตู้เสื้อผ้าที่เป็นพลาสติกเมื่อคนไปถามเอามาทำไมเขาจะบอกว่าเผื่อ ป, ปรมาณูลงผมจะได้ขังตัวเองในทู่ คือไม่รู้จะพึ่งอะไรกันแล้วท่าจนะครับเพราะว่าข่าวเรื่องจับถล่มันเนี้เป็นเป็นลายวันนะเนี่ยฉั้นผู้คนวหวาดผวามาดูเอะครับเรื่องคำพูดนี่นนดูคล้ายคล้คนบัญยาอ่อนพูดเมื่อใจดีโลกจะดีเราพูดกันอย่างนี้นะเมื่อใจเราเสียโลกนี้ก็จะเสียด้วย แต่ว่ามีควจริงที่ลึกลึกซึ้งมากๆเลยเมื่อเราใจดีนะครับเรามีดุลยภาพที่ดีในตัวเรามีสมาธิมีสติมีสัมพัญญามันก็มีอำนาจหนึ่งเกิดขึ้นที่จะเข้าไปควบคุมสัญชาตยางใช่ไหมครับไม่เช่นนั้นเราไม่มีอำนาจอะไรที่คุมสัญสาตยานเลยนอกจากคุมแล้วมัน มาถึงจุดหนึ่งมันถอดถอนสัญชาตญาณได้ด้วยสตินั้นเป็นตัวคุมเท่านั้นนะครับเมื่อเราตั้งสติขึ้น่ยเรากำลังคุมตัวเองคุมนี่หมายถึงคุ้มครองนะครับเรากำลังปกป้องคุ้มครองตัวเองให้พ้นจากอันตรายทั้งจากภายนอกและภายในโดยเฉพาะภายในคือสัญชาตญาณร้ายๆนี่ครับเราตั้งสติขึ้นเราคุ้มครองแล้วต่อมาเราเกิดปัญญาครับ รู้เห็นตามที่เป็นจริงในสุนก็ถอดถอนสิ่งที่เป็นอุปสรรคมันก็เรารู้สึกละคายเคืองในตานะครับเรารู้ขึ้นมาแล้วว่ามีบางสิ่งแปลกปลอมว่ามาในตาเราเราตั้งหลักได้ต่อมาเราก็เอาของนุ่มๆค่อยๆดึงไอ้สายออกจากตาเข้าใจไหมครับมันก็เกิดการถอดถอนอุปสรรคนี้ออกรืงหนามที่ต่ำเข้ามาในเท้า คนธรรมดาสามัญเขาถูกน้ำตามเขาย่อมรู้จริงไหมครับเมื่อรู้แล้วก็พยายามที่จะใช้น้าหรืออะไรเองนี่ดึงถอดถอนมันออกมาเ ม, ม, มื่อมีสติปัญญารู้เห็นตามที่เป็นจริงนะครับย่อมรู้ทุกโทษของสิ่งทั้งปวงย่อมรู้คุณของสิ่งทั้งปวงแล้วก็ย่อมรู้กรรมวิธีที่จะถอดถอนโทษของสิ่งทั้งปวงได้ด้เองนี่ด้ครับ อย่าความทุกข์ไม่มีใครชอบมั่งครับผมเชื่อไม่ไม่มีแน่ดังนั้นพอเราเกิดทุกข์ขึ้นมาสติเราดีเราเห็นไม่ช้าไม่นานปัญญาเราจะเกิดมันรู้ว่ามันสาวจากผลไปสู่เหตุได้ครับคือถ้าผลอันนี้มันเพราะอะไรเนาะวันนี้ไม่รู้ออาพรุ่งนี้เจริญติต่อไปไ ป, ปีนี้ไม่รู้สิปีข้างหน้าในสุงจับได้อ๋ออันนี้เองเข้าใจไหมครับ เหมือนเราเอาเหมือนก็ฉายภาพยนตร์บนจอเนี่ยเราดูดูงานเข้าเบื่อเราก็ค่อยถอนสายตาละสายตาจากเรื่องหลานค่อยไต่ไปตามลําแสงเข้าใจไหมครับเดี็กก็เจอเครื่องฉายพอเจอเครื่องฉายเจอคนฉายครับอยู่ข้างหลังเครื่องฉายเข้าใจไหมครับเพราะผลย่อมมาจากเหตุผลเกิดลอยๆนี่ไม่มีครับคนในเบี้ยครั้งพุทธกาลนั้นเขาเชื่อเรื่องผลเกิดลอยๆเสียงเขเชื่อว่า ทุกนี้มันเกิดเองไม่มีเหตุหรอกเชื่ออย่างนี้ก็งมงายมากๆเลยครับแล้วไม่มีทางที่แก้ทุกได้หรือบางพวกเชื่อปฐมม่เหตุเช่นว่าทุกนี้พระเจ้าทําให้เลยจัดการอะไรไม่ได้นอนรอวันรอคืนอ้อนวอนพระเจ้ า, มาเมื่อไหร่จะให้พ้นโทษพ้นทุกเข้าใจไหครับแต่สําหรับพระเจ้านั้นถือทุกเรื่องมีเหตุมาแต่เหตุขจัดเหตุได้ผลนย่งสิ้นสุดลง นี่เป็นสิ่งที่ถูกต้องในอย่างยิ่งใช่ไหมครับดังนั้นคนที่เจริญสติตามแนวทางพุทธศาสนานะครับบุคคลเช่นั้นย่อมถึงซึ่งความเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองเห็นและตัวเองกระทาเช่นพอสติดีๆขึ้นมันเห็นทุกข์เอาละ่ะทุกข์นี่ไม่มีไม่ ม, ม, มีใครไม่รู้แม้แต่หมายังรู้ทุกข์นะฮะไปดูมันไปนอนตรงไหนหมดกัดมั <c oughs> นรู้สะบัดก้นสะบัดหางไม่มี <c oughs> ใครไม่รู้ครับ ทุกข์ก็คือความร้อนร้อนความทุรนทุรายความเหี่ยวแห้งใจความโทมนัสเศร้าใจหมุนมองหดหูความเกลียดเป็นทุกข์ความกลัวก็เป็นทุกข์ความทุกสิ่งอย่างที่เราจับมันได้แต่ถ้าสติไม่ดีมันจับได้ไม่มากครับที่ใครมาด่าก็เป็นทุกข์เนี่ยแต่ถ้าคนสติดีดจะเห็นว่าแม้ไม่มีปัจจัยภายนอกนะครับมันก็ทําเราอาหารเราก็ ดีๆเครื่องเสื้อผ้าเราก็สวยๆบ้านเรือนเราหน้าอยู่แต่ยังมีอะไรที่ร้อนๆอยู่ด้วยเข้าใจไหมครับนีความโง่ๆทึบๆความไม่แจ้งฉานในใจเนยนั่นก็เป็นทุกข์คนมไม่ได้ดึงปรารถนาลงความความยึดติดความสร้างเรื่องขึ้นเองที่เรียกอุปาทานนะครับความสําคัญตนผิดพลาดไปจากธรรมชาติเข้าใจไครับ คิดตัวเองสําคัญคิดว่ตัวเองไม่สําคัญคิดว่าตัวเองสําคัญเท่าเทียมกับคนนั้นคิดว่าตัวเองสําคัญน้อยกว่าคนนั้นคิดว่ตัวเองสําคัญเหนือกว่าคนนั้นอ่ไนี่เป็นความสําคัญตนถ้าเราเห็นการเคลื่อนไหวทางความคิดเช่นนี้เราจะเราจะจับได้มันเป็นถูกตลอดเวลาเลยเข้าใจไหมครับต่อให้เราเหนือกว่าเขาแต่พอคิดว่าเราเหนือกว่าเขาก็ร้อนทั้งๆว่ามันจริงเข้าใจไหมครับแต่พอเปรียบเทียบเช่นนั้นน่ยร้อนขึ้นมา หรือตัวเองด้อยเขาคิดว่าเหนือเขาไอ้ น, นี่มันเรื่องโง่ครับแนะตัวเองได้อยเขาคล้ายจะรู้จักตัวเองตัวเองได้อยเขาพอคิดเปรียบเทียบทุกทันทีจริงไหมครับวันนี้พระสติดีๆเราจะเห็นการเคลื่อนไหวทางความคิดความคิดนั้นก็พบพุ่วงความทุกข์ทรมานด้วยจนกว่าเราจะตัดความร่วงพันธ์ตรงนี้ได้ครับมันคิดล้วนๆเท่านั้น ไม่มีความยึดถือไม่มีความผูกันเหมือนก็เหลือที่ลั่นไปแล้วนายเรือคนถือท้ายที่ฉลาดตัดสาหลายที่มัดหางเสือเข้าใจไหยหางเสือใครไม่รู้จักบ้างครับถึงสาหลายสาหลายมัดมากๆกันไปไม่ได้ครับเขาต้องตัดออกกระจายออกเรือ น, นั้นก็ลั่นไปได้ถ้าทํานั้นได้ก็หมายถึงว่าวันนี้เราคิดอะไรได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องเป็นทุก แต่ว่าถ้าสติยังไม่สมบูรณ์ทุกความคิดเป็นทุกข์ทั้งนั้นคิดจะหาความสุขก็เป็นทุกข์ครับคิดว่าเออคืนนี้จะไปเที่ยวดิสโก้เทกที่ไหนนาะพอคิดปับ๊บก็คิดว่าเอ๊ะแล้วในกระเป๋ามีเงินเท่าไหร่แล้วเริ่มจับสนแล้วคิดจะสร้างบ้านใหม่ร่วมอีกแล้วคิดจะต่อเชนโรงทำนี้ท่านอาจารย์สุจะคิดจะติดมุ้งลวด คิด ป, ะปะ้าวก็นแล้วองค์เงินมาจากไหนล่ะเข้าใจไมหมครับแต่ว่าถ้าไม่มีประทานรู้ศิลปะแห่งการรอคอยนะไม่ถูกคิดได้เพราะว่าในห้องนี้น่าติดมุ้งลวดนะติดมุงวดง่ายด้วยครับแล้วได้ปฏิบัติสะดวกยุงไม่ต้องมานั่งเกากันแกล ก, ก, ลกทบทวนใหม่อีกทีนึงครับว่า มนมุษย์สคัญต น, ตนผิดไปจากธรรมชาติความสําคัญตนตนเองนะครับสำคัญต่อชีวิตตัวชีวิตผิดพลาดไปจากธรรมชาตินั่นคือปาทาน payments. แล้วคนล้องได้ผิดพลาดธรรมชาติแล้วมันก็เป็นทุกข์เท่านั้นนะครับไม่มีอะไรในบทสวดมนต์เราท่องกันอยู่ใช่ไหมครับว่าปัญจุ ป, ปาทานักขันทาทุกขาเนี่ยภาษาฟังเป็นภาษาศักดิ์สิทธิ์ที่จริง คือมีวปาทานในขันห้าตามธรรมชาติคือทุกบทสรุปเนี่ยเข้าใจไหมครับทุกทันทีวันนี้เรายังให้ผิดพลาดครับคือเราต้องไม่สําคัญตนผิดพลาดไปตามธรรมชาติเราต้องเห็นมันภายใต้ภาวะของธรรมชาติครับแล้วการเห็นแตกตา่างจากการคิดพูดกันหลายครั้งเลยนะเมื่อคิดนั้นไม่เห็นครับเมื่อเห็นนั้นไม่จำเป็นต้องคิดอีกแล้ว มือนว่าผมคิดถึงใครสุกคนหนึ่งเนี่ยตอนนีนเห็นึงคิดถึงเป็นบ้าเป็นหลังเท่อมานั่งตามดำนี้ ม, ไม่ไม่ต้องคิดถึงมันอีกแล้วก็เห็นอยู่ตรงนี้ไปคิดถึงอะไรจริงไหมครับจริงไหมคุณสีสมงทักกลัวจะง่วงครับวันนี้ถ้เราเห็นมันมันจะสิ้นสุดของความคิดถึงสิ่งนั้นนะั้น เมื่อเราเห็นตัวเองในธรรมชาติมันหมดความคิดเรื่องตัวเองครับก็จังนะครับถ้าเราทำแหวนที่เราลักมากหายนะครับเราจะคิดถึงมันมากเลยตอนที่อยู่ในนิ้วนึงบางทีมีคิดถึงบางทีใช้ตบหน้าเพื่อนด้วยไม่ล้วก็เดี้ยวมันถูกแหวนะลอกไม่ได้คิดว่ามีแหวนทีนี้ก็พอมันหายไปเนี่ย แหวนซึ่งไม่ปรากฏให้รับรู้เนี่ยปรากฏขึ้นอย่างรุนแรงในความรับซอำเราใช่ไหมครับมนโนภาพมนโนคติต่างๆเกิดขึ้นของไม่มีเนะี่ยเกิดมีขึ้นแล้วครอบงําชีวิตของเราด้วยบางทีเดินหาแหวนไม่เห็นสิ่งอื่นเลยน้ําเนื้เหยียบทรงเดชเข้าใจไหมครับทีนี้พอพบแวนเอแวนกลับเข้าในนิ้วมันจะเลิกคิดถึงละก็มันมีแล้วใช่ไหมครับเช่นเดียวกับทุกคนมีหัวกะโหลก คนละหวลัวเราไม่ได้คิดถึงหัวกะโหลกของเราถ้าใครถ้าเดินเท้ากุณเห็นหัวกะโหลกของผมยุ่งกันใหญ่เลยทีนี้คือมันอเรามีมันเราเห็นมันเป็นมันก็หมดสิ้นความคิดเกี่ยวกับมันแับ น, นี้เราเห็นธรรมชาติของตัวเองเห็นตัวเองมันก็หมดสิ้นความคิดเรื่องตัวเองนั่นเองเมื่อเราเป็นทุกข์นั่นไม่ใช่อะไรอื่นมันคิดถึงตัวเองมากเกินไปนี่ คนเห็นแก่ตัวหนึ่งคือมันคิดถึงในเรื่องตัวเองมากไปใช่ไหมครับวางแผนเพื่อตัวเองมากไปเพื่อลูกเพื่อพัฒพ่วงตัวเองมากไปจริงไหมวันนี้เราก็ดูเข้ามาที่ตัวเองครับดูไปนี่มันยังคิดเห็นบ้างไม่เห็นบ้างดูเข้าไปปฏิบัติเข้าไปราบความรู้สึกเข้าไปจนกระทั่งเห็นเห็นคือเปล่งครับเหมืนอนกับว่าลมแขงสักก้อนหนึ่งเนี่ย ม, มันอยากจะวัดความลึกของน้ำสมมติว่าเป็นตุ๊กตาน้าแข็งมันก็พุ่งห่วงในน้ำไม่ช้ากน้ำละลายกลายเป็นน้ำเพราะธาตุแท้ก็มันคือน้ำจริงไหมครับในน้ำแข็งกับน้ำก็เลยรวมกันเป็นน้าหนึ่งใจเดียวเรากับเราไอเราตัวหนึ่งคือตัวที่รู้สึกชีวิตมีปัญหาแล้วก็เราอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นธรรมชาติ มันหลอมกับหากันในสุดมันกลายเป็นธรรมชาติหมดสิ้นเลยเข้าใจไหมครับแต่ถ้าทาไม่ปฏิบัติเรานั่งคิดว่าอ๋อชีวิตเป็นทุกขังนั่นนี่จา้าไอ้นี้ยิ่งแยกหนักขึ้นอีกเข้าใจไหมครับการปฏิบัติกับการคิดนึกเรื่องการปฏิบัตินี่ต่างกันการตั้งท่าจะขึ้นชกมวยกับการชกมวยในคนละเรื่องจริงไหมครับ พวกที่นั่งเชียรจะลอกเวทีนี่มันมากแต่นั่นไม่ใช่นักมวยครับแต่นักมวยคือมันไม่มีเวลามาตั้งท่าเราอาจจะเรียนท่าได้ครับที่สิ่งที่เรียกปริยัติธรรมอะไรเนี้ยหรือทฤษฎีเราก็เรียนได้แต่ทฤษฎีเรื่องนิดเดียวครับผมจะสอนพุทธศาสนาด้วทฤษฎีเพียงหนึ่งประโยคนี้จะจบแล้ว เนื่องจากมุษย์สมคัญตนผิดพลาดจากธรรมชาติดังนั้นจึงเป็นทุกข์เมืนนม่อใดมนุษย์พัฒนาสติสมบดีขึ้นกลับก็สู่กฎธรรมชาติเป็นกฎธรรมชาติเมื่อนั้นสิ้นทุกข์จบแล้วพุทธศาสนาเข้าใจงัน้นก็เท่านี้แหละทฤษฎีแต่ถ้าให้แจกจงก็มันก็ไม่รู้จักจบสิ้นเมื่อเข้าใจเช่นนี้นะะี่ครับการจบสิ้นนั้น จบเส้นด้วยการปฏิบัติแน่กาปรปฏิบัตินี่ถือกันน่าว่าเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าจริงๆเลยนะฮะดังนว้นเราก็ปฏิบัติเอาอยนี้ครับลองปฏิบัติกันอีกจําไว้ดีนะครับเราปฏิบัติเพื่อกลับเข้าสู่ดุลในตัวเองนะเพื่อจะเห็นภาวะที่เป็นเองเพราะภาวะที่เป็นเองนั้น ไม่ใช่ภาวะที่เราอยากให้มันเป็นดังนั้นต้องทำเล่นๆครับทำเล่นๆแต่ว่าทำจริงๆคาพูดชนินี้ที่เรียกว่าปกพันนะครับว่าทำเล่นๆเดี๋ยวทำจริงๆคนพึ่งได้ยินง่ายพูดยังไงพูดกลับไปกลับมาสับลับเอ า, ปอาอเป็นอย่างนั้นเถอะทำมันเล่นๆอย่างนี้ เฉยๆไม่ต้องปฏิบัติและไม่ต้องคุยไขายด้วยการพักช่วง ม, มีผลเป็นการปฏิบัติด้วยถึงว่าเราปฏิบัติเกิดเมื่อทําทเปลี่ยนท่านั้นเปลี่ยนรี้บทนี้แล้วเราก็นั่งเหมือนกับเราไม่ได้ทําอะไรนะแล้วความรู้สึกดวงจะดีด้วยแล้วเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติจากทีเรานั่งเดี๋ยวเราก็คุยกันอย่างนี้ อย่างนี้จะไม่รู้จักเลิกปฏิบัติในเวรานสมควรเช่นรู้สึกเบื่อเบอี่อมาที่ต้องเดินที่ต้องนั่งก็เลยปล่อยนั่งเฉยแล้วโอกาสที่จะรู้ชัดเนี่ยอยู่ตรงนี้คือตอนปฏิบัติมันจะไม่รู้เพราะมันมัวมทำตามแบบแผนแต่พอตอนปล่อยปลยืมๆตัวนิดเีว เสด็ดจะเห็นอะไรบางสิ่งซึ่งซึ่งแปลกคี่เห็นความเปลี่ยนแป ล, น ง, นแลนงนั่นเองเช่นแบบนี้เรานั่งเฉยไม่ได้ปฏิบัติอะไรแล้วก็ตัวเบาๆเห็นไหมตอนปฏิบัติจัมันจะหนักครับเพราะมันเป็นภาระอันหนึ่งตอนเราปฏิบัติเนี่ยมันคล้ายๆเรารับผิดชอบอยู่มันก็หนักๆ ทุบทุบกันใครช่วยสูบเปิดพัดลมหน่อยได้ไหมได้วไล่อากาศเท่าอากาศที่มันอับๆแต่ใ ห, ให้อากาศจะได้ถ่ายเท ต้องตั้งใจฟังอีกนะครับบางประเด็นเวลาฟังเนี่ยฟังด้วยดีฟังด้วยดีก็คือฟังแบบตัวคนเดียวโดดเดียวถ้าฟังไปหันไปมองตาเพื่อนยักคิว้วหรียตานี่จะจะไม่เข้าใจสิ่งที่ที่กำลังเป็นไปครับเพราะว่า เมื่อพูดถึงธรรมชาติของชีวิตนะครับก็หมายพูดถึงตัวเรานั่นเองที่ถ้าเราไปปูกพันตัวเองอยู่กับสิ่งองื่นมันก็ได้รับแต่คำพูดเท่านั้นเองพวกเราต้องหัดที่จะเล่นพักผ่อนคนเดียว <c oughs> เพราะมนรู้สึกมันสุขมากมา่อนั่งคนเดียวที่เฉลี่ยบ้านหรือที่ ต้นไม้รู้สึกช้ำๆแถวผิวหนังจะเา็นเพื่อนที่รู้ใจมานั่งด้วยสักคนก็ไม่ได้รังเกียจแต่ถ้าคนที่ชอบชื่นจ้างนอนะื่นเนี่ยท่านหนีได้ก็ต้องลุกหนีถ้าหนีไม่ได้ก็อีกเรื่องหนึ่ง <c oughs> รหัสพักผ่อนแบบผู <c oughs> ป้ปฏิบัติธรรมเข้าใจไหครับ อย่าสมมติเราไปพักผ่อนพัทยาหาหนังสือนวณิยายนไปอ่านเล่นอ่านเมื่อ่ๆกันหลับอยู่ิมหาดเอาหนังสือกิดหน้าแบบพวกรั่งอย่างนี้ไม่ไม่ใช่การพักของผู้ปฏิบัติธรรมผู้ปฏิบัติธรรมนั้นย่อม ย, ยินดีในวิเวกอันประโยคนี้วิเวกคือรู้สึกกายใวิเวกจิตตวิเวกคือกายมันเป็นเอกขึ้นมา เอกขึ้นมาแล้วก็อุปธิเวทคือมันลบข่าวหายมาจากกิเลสตัณหาอุปาทานนะคือมัได้ยึดถืออะไรไว้ต้งที่เราปฏิบัติเรายึดเรายึดฟอร์มการปฏิบัติแม้เราจะรู้สึกเต็นใจแต่จริงๆเราก็ยึดและจําเป็นต้องยึดไว้ก่อนด้วยผู้ปฏิบัติมักจะไม่ค่อยรู้ธรรมะตอนที่ปฏิบัติโดยทั่วไป มักจะรู้ตอนตอนเลิกปฏิบัติในค ร, รัรูหนึ่งบวชมัยี่สิบห้าปีท่านไม่ไม่ได้รับความสมบไม่รู้จักตัวเองแม้แต่เชื่อวินาทีเดียวก็ตัดสินใจที่จะฆ่าตัวตายรับมีดโกนเ้่าแล้วก็ไปยืนพิงหน้ามไม้คิดจะเชือดคอตัวเอง พอมีโจ น, นจดที่ผิวหนังที่ขอในขณะนั้นเองท่านเข้าถึงที่สุดทุกคือตอนปฏิบัติเราต้องยึดแบบแผนอันหนึ่งไว้ดังนั้นแบบแผนอันนั้นจะ ก, กันเม่ใหเรารู้จักธรรชาติที่เป็นเองแต่ถ้าเรายังไม่มีแบบแผนเลยเราก็ก้าวต่อไปไม่ได้ครับเหมือนกับว่าเราจะข้ามสะพานไม้ท่อนไม้ท่อนเดียวท่อนกลม ถ้าคนเก่งก็เลี้ยงตัวไปจนถึงนี่ครับแต่คนรรมดาสามัญทั่วไปส่วนใหญ่เนี่ยก็ต้องพึ่งรองรุกลงาวางไม้สำหรับเกาะแต่รองไม้เหล่านั้นถ้าใครไปยึดไว้แล้วไม่เดินต่อมันก็กลายอุปสรรคทันทีเราจับแล้วก็วางจับแล้วก็วางแล้วไต่ไปตามลำดับอาการที่เราไต่ไปตามลำดับนี่นเองที่เรียกว่า ปฏิปทาคาปฏิปทานแปลว่าไต่ไปตามทางไต่ไปสีลระเบ้อสีลระเบ้อสีละเบ้ะที่นี้ถึงฝั่งโน้นลาวลรกลงก็ไม่จําเป็นละหรือว่าเมื่อไต่ชานานเข้านานเข้าบาโอกาสไม่ต้องจับลูกลงก็ได้ไม่ต้องจับลาวก็ได้แต่ว่าลาวจําเป็นมากครับสําหรับคนเริ่มต้นหรือในขณะที่สวนเส แต่ถ้าคนเ้าจะสิดตัวเราก็จับยึดมันไว้มันเลยกลายเป็นเครื่องถ่วงไ ม, ม่ให้เก้ามาขา้างหน้าเข้าใจไหมครับแต่เวลาจําเป็นต้องมีราเนี่ยเราทําอย่างนี้ไม่ใช่นี่ไม่ใช่ไม่ใช่เป้าหมายนะเราประคองอันนี้เป็นแบบเราอาจจะค้นหาแบบฉ บ, บับของเราเองก็ได้แต่ว่าอถ้าคนจะเปะสะป่า คนเองอยนสเสสปสปามันก็ออกนอกทางได้ไันไต้งงจฟังสองคนนี้มันนั่งนี้ได้ไหมครับผมรู้สึกมันก็พูดอยู่ข้างหลังต้องเห็นหน้าเห็นตาเพืก่กจะรู้เรื่องเามาทบทวนเรื่องที่ผม บันใายชี้เนะแต่ก่อนนะครับชั่วโมงก่อนก่อนนะไม่ใช่ที่มนุษย์เราสำคัญดนผิดแต่จากธรรมชาติไม่เพียงแี่สำคัญตัวเองสำคัญโลกที่ตัวเองอาศัยอยู่สิ่งของที่เราใช้สอยความสาคัญนั้นความสำคัญผิดนั้นก็คือ สำคัญว่าเป็นตัวตนของเราเป็นของของเราเป็นตัวเราทีนี้เราลองมาสำรวจ ด, ดูคํากราของพระเจ้าที่ว่าเนตังมะมะเนโสหะมัสสิมิเตนสโธอัตตานั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราดูแล้วมันช่างสวนทางกับความรู้สึกสามัญของเราเสีซนี่กระไรยใช่ไหมครับ เรางสึกกายนิ่นของเราเสื้อผ้าปากกาหรืออะไร